<c oughs> จะฟังทมกันนะมีผู้ฟังมีผู้พูดแล้วก็มีส่วนประกอบการพูดก็พูดเรื่องคนเรื่องเราด้วยแหละตัวเราเนี่ยก็มีการมีใจ ทา้าวันกายวาจาใจศึกษาปฏิบัติธรรมก็คือมีสติเป็นผู้ใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจฝึกตนสอนตนมันมีความมั่นใจนะจต่มีสติจะมั่นมีความมั่นใจมากที่สุด เวลารามีสติเป็นเจ้าของเป็นเจ้าถิ่นตามวิชากรรมาฐานให้สติไปในกายอเป็นประจำสติไปในกายไปในเวทนาในจิตในธรรมต้อนรับกิริยานี้อย่างมั่นใจในเวลามีสติ มันจะมีบ่งบอกทั้งความผิดความถูกความชอบทาไม่ชอบทาเกิดขึ้นเวลาเราฝึกเวลาเราปฏิบัติเวลาเราทำงานหมืนคนทำงานคนเรียนหนังสือเราต้องหนัก นงี้ยแตหัดใส่ฟันใส่หูใส่ตาที่ของใหม่มาใส่จะต้องหัดหัดใหม่ๆ ย, ย, ยังไม่ชินเล่นใส่ฟันยังไม่ชินหัดในม่ๆเครื่องเครือ ง, องหมอบอกว่าต่อไปจะคินไปเองหัดใส่แว่นตาสองชั้นชั้นหนึ่งมองไกลชั้นหนึ่งมองใกล้ หัดใหม่ๆก็ได้ไม่เป็นก็มองไม่ถูกตามเลนที่มันใกล้ใกล้ก็วิ่นเวียนๆหัดใส่หูก็คลื่นของหูมันก็ต่างกันกับหูที่มันเคยใช้มันไม่เหมือนกันเสียงคนก็ไม่เหมือนเก่าเสียงตัวก็ไม่เหมือนเก่าต้นเรา่ชยวิดีโอ โต้รอบโต้รอบไปเที่ยวของหล่อเป็นเสียงหนึ่งไปใที่ของวนเือนมันเป็นเสียงหนึ่งก็ไม่ชินไปหมาก็ชินชนานาญขึ้นคุ้นเคยกันมากขึ้นกรหัดสติไปในกายนี่ต้องใช้บ่อยๆทาบ่อยๆให้รูบ่อยๆรูปไปที่กาบ่อยๆ เอะไรเกิดขึ้นมาก็สักว่ากายสักว่ากายคือลูกคือลูกนี่แหละอาวาที่ลูกนี่แหละเป็นตัวเป็นคาพูดหลงมาว่าสักว่ากายสักว่ากายเป็น ค, ความลูกนี่เองถ้าจะเป็นอัดินที่เกิดขึ้นก็เหมือนเราจนมันเป็นคู่จนความหลงความไม่หลงความจบความทุก เห็นทั้งสองสองแล้วก็อยู่ตรงกลางรูนี่รูนี่เป็นกลางมันเฉลยแล้วเดียวให้มันเป็ น, น, เ, นเ ป, น เ, ปนเรื่องอื่นที่มันดึงไปเป็นจุกเป็นตุกเราต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในขณะที่เราฝึกปฏิบัติอยูนี้มันจะไม่ชินหาคำตอบรือยไปไม่ได้ฝึกเช่นใส่หู มันก็ไม่คุ้นเคยก็เอาออกไม่จ่ายคุ้นวายเต้นาติดูเ ท, ท่าคนหนังลูกสาวตัดหัวมาให้เต้นหลายหมื่นก็ไม่จ่ายมันคุ้นวายยังก็หงอกหูดูว่าเฉียงอะไรอยู่ในหูนี่ก็เลยไม่จ่ายเพราะไม่หัดเลยไม่คุ้นเคย การปลึกตนสอนตนก็เชื่อกันขณะที่มันจะคุ้นเคยเวลามันหลงให้ลูกนี่มันจะคุ้นเคยเวลามันเกิดไหลเคลืนให้ลูกให้ลูกให้ลูกมันจะคุ้นเคยกับความรู้ความคุ้นเคยกับความรู้เป็นศาสตร์เป็นศิลป์เป็นศาสตรเป็นศิลป์ให้มีความจัดเจ็แม่นยำชักหน่อยแยบคลายชักหน่อยการปลึกตนสอนตนบาที่มันวุ่นวาย อะมากมายหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแชงกับความรู้จักตัวห น, หน้าแชงหน้าแจ้งหลังที่เมันเคยชินมาเคยใช้กายใช้ใจใช้ตาใช่หูเกี่ยวกับโลก ใ, ใจก็มีโลดของใจอิทธาล ม, มนอนิทธาลมฝังซ้ายฝังขวาละเคยเป็นอยงนั้น หูก็พอใจไม่พอใจตะบุกได้สิ่งก็พอใจไม่พอใจลิ่นได้รถก็พอใจไม่พอใจมาถูกที่ใจใจรอบทุกสิ่งทุกอย่างตาเป็นเคลื่อนไหววิ่งหน้าวิ่งหลังขึ้นลงอยู่ชนด้านวันนี้หัดมันเนี่ยทมันลงทำมันตั้งอยู่นานทำมันรูให้มันรูเ น, นี่ช่วยได้กรรมาฐานช่วยได้ไปทางไหนกรรมารูไปทางไหนกรมารูเ น, นี่ย โดยเฉพาะกับวัฏขา น, นี่มันตั้งได้มันตั้งได้เหมืนบักเหมันก็ บ, บักต้นกล้าลูกใน ด, ดินเมื่อมันต้นกล้าถูกปิน้นแล้วก็จะตั้งได้อยู่นานก็เกิดรากออกรากก่อจลิงน้านสาขาสตริที่มันตั้งอยู่อะไรเกิดขึ้นมากระรูดเนีมันเป็นตัวรู้ได้ทุกเรื่องทุกเหลา่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ย สามารถรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องเป็นไปกับมันให้ตั้งอย่างนี้เวลาเราปฏิบัติเ้็นตนสอนตนอย่าไปข้างซ้ายอย่าไปข้างขวาอย่าูอย่าแพรนน่เมื่อมันตั้งอยู่นานก็เมื่อเมื่อไม่ถูกแบ่งแยกในความรู้เป็นหนึ่งเดียวเราก็ตั้งอยู่นานก็เป็นแกนสารขึ้นมามั่นโค้งขึ้นมา โก็งามขึ้นมาเหมือนจนไม่ช่วยแฉนแล้วก็แข็งแงรงควาความรู้จักตัวมันแข็งแรงสังเเเฉนของชีวิตเราถ้ามันไม่มีแฉนมันมีแต่หมอกก็หลุดไปเรื่อยสุขก็เป็นแต่ควงมสุขทุกข์ก็เป็นแต่ความทุกข์ไม่เคยตั้งอยู่นานสักทีไม่ตั้งอยู่เลบนความรู้เอาไปเป็นนัน่นเื่น เหมือนกับมันทุ่มในเสมอชีวิตของเรามีจิตก็พึ่งจิตไม่ได้พุ่มมอยคุ้มดีฟูฟูแสบแสบเป็นสุขเป็นทุกข์ใช้จิตไปให้เป็นสุขเป็นทุกข์แบบนี้ระอบางหัดเนี่ยให้เป็นความรู้ความรู้ความรู้เนี่ยมันได้หัดอยู่ทุกโอกาสมันเกิดขึ้นมนให้หัดอยู่ทุกทุกทุกเวลาก็ได้ ถ้าขาดเจติตัวเห็นถ้ามีเดติตจะเห็นอยันทีควงมรู้องหัวนอนบ้างความเหลือสงสัยบ้างควงงามคิดปุ่งชาบ้างเกื่ตัณหาบ้างเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้บ้างเหนื่อยเม่ล้าบ้างสารพัดอย่างอย่ามองเป็นการต่อรองความรู้สึกตัวไม่มีสิ่งต่อรองได้ เข้าไปจอมตี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปคิดได้ทุกอย่างเลยว่าจะให้มีความเพียรมีศรัทธาอย่างที่เราสาธิยปโชดว้ความเพียรมีศรัทธามีสติแล้ก็มีพลังร่วมหลายอย่างมีเพื่อนมีมิตรมีกรรมฐานมีพระพุทธเจ้ามีอะไรมากมายเลยส่วน เราอันเสริมเราคิดถึงตัวเราเนี่ยก็คืออะไรบ้างทำบาปทำกรรมอะไรมาบ้างมันสนับสนุนคิดถึงความชั่วมันจะมีมีบ้างเวลาเราปฏิบัติคนมีลูกก็คิดถึงลูกคนมีเมียก็คิดถึงเมียคนมีผัวคิดถึงผัวคนมีพี่มีน้องคิดถึงพี่ถึงน้องคนเียพ่อแม่คิดถึงพ่อถึงแม่คนเียเพื่อนคิดถึงเพื่อน มีบาปก็ชิดแบบบาปนีบุญก็คิดแบบบุญคนดีก็คิดแบบคนดีคนชั่วก็คิดแบบคนชั่วคนจนก็ชิดแบบคนจนคนรวยก็ชิดแบบคนรวยสารพัดจางที่มันดึงไปกลับมาลู่กลับมาลู่กับมาลูาลาล่เวลานี่ไม่ใช่มานั้งคิดเวลานี่ไม่ใช่หาคําตอบบางทีเราทาไป l o n ไม่ไม่เห็นเพื่อเห็นเขาไม่เห็นเนช่้นต่างวุ่นวายปวดคิดหากรคำตอบทําใหม่ทาใหม่ทำใหม่เกิดขึ้นวุ่นวายไปวนเลยเวลาปฏิบัติหน้าตามคำํามเคียดเคยเห็นพระหลงจ่าที่มาเป็กันวุ่นวายเวลาปฏิบัติทำตั้งใจใจะมาอยู่ด้วยพอมาปฏิบัติให้ปฏิบัติแต่วุ่นวายไปวนเลยอดเรื่องยังไม่จด อาจารย์อันนี้ก็ยังไม่เชรเดี๋ยวผมกลับไปบานก่อนจะมาใหม่พุดนวาโสนเลยซิดหน่อยซิดหลังไปยิ่งคนมีความรู้มีการงานวิชาการกรเปรยียบเทียบขึ้นมามันได้อะไรฝึกอะไรได้อะไรอย่างนี้เอาเอาเนอือดมาครอบนำสิ่งที่มีนครอบงามความด้วยตัวมากมายมันแ ม, มกมอกที บางดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เยอะแยะหลอยอย่างที่มันจะเปิดกั้นว่าขวงทางไว้ความหลงมั่งความสุขความทุกข์ความหน้าควงมตาเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยต้องความสมควรนะขวาด้ความธรรมนะต้องใส่ใจในความเพียรแล้วก็ไม่ต้องอยู่เปี่ยวเดียวดายหรืออยู่เดียวคนเดียวก็ไม่เป็นไรยิ่งดีบางทีเรานั่งอยู่ จันเจ็ดแล้วนั่งอยู่กะติในสติล็อกขวามเหยื่ อ, อต้องฝาก็ให้สิ่งเรดลร้องผลลมลมก็พัดผ่านทำให้สิ่งวร้าร้องเกิดขึ้นสา mai มาแรงสิ่งร้องถ้าเราดูดีๆมันลื่นเิงเวลามาปฏิบัติ เดินจงกรมอยากเดินจงกรมให้พ่อให้แม่ดูแต่พ่อแม่ตายไแล้วอยากนั่งสมาธิสร้างจังหวะให้พ่อให้แม่ดูลูกผ้าจีวรลงผ้าขาวผ้าสลุผ้าเบี่ยงไม้เดินจงกรมรู้สึกว่าบรรลุงามมันสนบสนุนตัวเองมันสง่า ง, งามที่เกิดมาไม่เคยได้ทําแบบนี้ไม่เคยได้ลู่อย่างนี้แต่ก่อนไม่เคยหลงแบบนี้หมอลู่หมอลู่หมอลู่เห็นขวง คิดตัวเองที่ไม่ตั้งใจมันคิดขึ้นมานี่เห็นเรื่องนี้ละมันรู้สึกว่าเหอนได้ทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่เป็นแ่นสารสาระของชีวิตแต่ก่อนไปกับความคิดทั้งหมดแบบ น, นี้มันลู่มันลู่วัาลู่นี่วันที่บหัดอย่างนี้หัดอย่างนี้จับให้ให้แม่น จับม้านจับก้านให้แม่นถ้าจับไปแม่นจะไม่เป็นฝึก่อะไรก็ตา ม, ามาก็ไม่ใสยใจสักหน่อยเช่นฝึกตนตีเนี่ย่าเด็ดจะโดดมือไปตามโน้ตเนี่ยมันต้องพอสมควรถ้าไม่มีแนวร่วมโน้ตเลยด้วยมือมันไม่ไปนิ้วมือมันก็เคยหัดแม้แต่ให้นับนิ้วลงขึ้นคนละทีมันก็ยังทําไม่ได้หรอ เพราะไม่ส่ใจทำอเลยก็ไม่ใส่ใจจริงๆก็ทําไม่เป็นะเรามันหลงหรลู่ไม่เป็นหลงก็เป็นหลงอยู่ทุกด้วยไปหลงจนตาอทุกจนตาอแบบนี้ดีได้ไประโยชน์จากความหลงเจอกให้มันหลงจอกให้มันทุกข์จะได้เห็นมันจะได้รู้จะได้คิดเลยมันดูใช่มันมีแค่ไหนเพียงเหล่า น, นี้ทุทกข์ ควากรธมันเชื่อไหนเพียงไหนเจตันามัเชื่อไหนเพียงเราอยากมาคิดไหล่านลองดูนะแต่เราฝึกไปฝึกวปมเชื่อมแขงขึ้นมามางเหมือนมันเป็นหนุ่มเหมือนความเป็นหนุ่มของสตรีของปัญญาเหมือนฉัตที่มันเป็นหนุ่มตกนั้นเหมือนช่างเจ้าทะเลสวนเหมอละตกบันเข้าเซกคลบพม่า ได้ใช่ใช่หน่าเองมันตกมันมันแขนงก้าความแก็งก้ามันลาได้กลระโดดไม่กลัวผวามร้อนความสังกักขังไว้อยู่มันโดดได้มันโดดได้หนส่งเสริมปฏิบัติฝึกฝนสอนต้นนะเอามาทําะไรอ่อนเออนั่งก็คอจะง่วงนอนไม่รู้จับแก้ไขบ่อยจนคิดพ้จนหน้าดํามคํามเครียวจนพูดออกมาเครียดมันเครียด มันคิดเมื่อมันง่วงนอนไม่ดีน้ำเป่าไม่ดีเอาละไปอยู่กับมันนะดูด้าจตรงนั้นมันดูดใจนะไม่ใช่แบบอ่อนข้อกับมันนะมันเชื่มแขงมันเชื่มฉงตรงที่มันอ่อนเลอมันนิ่มนวลตัวที่มันแข็งกระด้างจุดมันหอนโยนโน้มน้ากไม่เป็นไรไม่เป็นไร สุขก็ไม่เป็นไรยทุกข์ก็ไม่เป็นเลยผิดก็ไม่เป็นเลยขอเนินทาก็ไม่สนได้ขอสัเฉินก็เลยสั่นไดได้ก็ไม่เป็นได้ไม่ได้ก็จะเป็นได้เิดอรก็ไม่เป็นลมันอ่อนยนมันยืมมันยืมมันยืมหัวรอทุกกรณีสติไปอย่างนี้นะจึงไม่รู้จะขาดประพันอย่างความรู้ตัวไม่ขาดอ่อนก็ ก็อยู่ได้ไม่แข็งก็อยู่ได้มันน่ะก็อยู่ได้มัเบาก็อยู่ได้มันเบามันเป็นศาตรเป็นศิลนะสตีเนี่ยการจรียอยากให้พวกเราไม่มีอะไรที่จะทำตัวกับมนุษย์งานของมนุษย์นี่ยต้องบอกกันอย่างนี้อาชีพงานของอะไรที่ไหนเราเป็นมนุษยเพื่อนเคเจียเจียตายด้วยกันน่ยต้องบอกต้องสอนกันอย่างนี้งั้น มหาตะมะาขาันธ์ี่งานผู้นู้ชิ้นแรกคือสร้างห้องน้ํางานพัฒนาของคนที่แรกต้องสร้างห้องน้ําขึ้นมางานชิ้นแรกที่มหาตะมะคันธีที่พัฒนาประเทศอินเดียนั้นช่วยคนที่ต้องสอนคนหลงให้เป็นคนรู้สักคนที่ทุกข์กันเป็นคนรู้ให้มีความรู้นี่งานของพวกเราจะช่วยกันแน่เลย มาบอกกันไหน่อยนี่ย่าให้ได้ผิดพล า, าดขาตกบกพร่องมันจะเสียจายได้บอกแล้วได้ทําแล้วอะไรที่มือนไม่ถูกได้บอกแล้วอะนรทีันถูกได้บอกแล้วอย่าให้มีความผิดนี่มันเป็นหน้าที่ของเราเหมือนเราลูกศรมาอยู่ภูเขาเนี่ยสามสี่สิบรีเนี่ยกับจารย์ที่สอนเนี่ยแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้ นี่จะดงแต่ป่าจัดสาระสิงเดี๋ยวนี้มันหมดไปแล้วผูเขาหัวล้นจัดก็หมดแผ่นดินก็เป็นพิษเป็นภัยหม้อไม้ลงให้แม่น้าลงป่วยแผ่นดินหนามภาพาอากาศเป็นพิษใครมันก็ดำามัอนรถเป็นคด ำ, ด เ, ดำเราเคยบอกมันเคยบอกเคยบอก้ปไม่ใช่เราไม่หน่มทาทุกวิถีทาง บอกคน แ, แม้แต่คนที่โ ก, โกรธจะลบร้ายกันเองไม่ใช่ความผิดของเราแล้วอยู่นี่เคยบอกเคยเทศแต่ก่อนยังถข่งแบงยังจับไม่พูดตีห้าทุกวันทุกวันต่อวันตอนเช้าเครื่องขยายห้ารอยวัตต์ดังทัว่วม้านทัว่ทวเมืองเดี๋ยวนี้พูดไม่ออกบอกหมดแล้วอะไยที่ถูกอะไรที่ผิดบอกหมดแล้วแต่มัน ไม่มีส่วนร่วมก็เป็นอย่างนี้มาช่วยความผิดของเราแต่ไม่ได้บอกก็เสียใจจึงไม่ขาดต้องบุกฟ้องเราก็เป็นวัฒนธรรมของเรามีวัดเป็นวัดเป็นวามีปฏิปนีมีบวดมีวิธีปฏิบัติทธว่าเราจะมีโอกาสว่าอยู่ด้วยกันเป็นนี้เป็นหน้าฉันเสริญ คนจเฉยๆก็มีคนฝกลางก็มีคนหนุ่มก็มีพระหนุ่มๆแม่ชีหนุ่มๆสา ว, าวคนเฉยๆเท่าๆปล่อยตัวกินในกองเอาไว้ให้เด้ฝึกเอาไว้จําเป็นมากนะจะปล่อยตัวเองทิ้งเวลามันหลงปล่อยจัวองหลงหรือปล่อยตัวเองทิ้ ง, ง, เ, ง, งเรามีค่ากว่านั้นค่าของเราไม่ใช่เวลาใช่ความหลงจะมันทุกข์ก็จะปล่อยจัวเองทุก ข้าของหลงมันใช่หรือเปล่ใช่ความทุกข์เราประเสริฐมนุษย์ที่มันสดประเสริฐไหมมันใช่ไปตําต้อยขนาดนั้นเราใช่ความปวดความโลกความหลงความเกียดความจังดีใจเฉยใจเกิดจเดจ็บเจบตายลองโลองให้มันใช่มนุษย์แต่มันพระเจ้าน้ามนุษย์น่กับสามมรชนเป็นพุทธะได้สามความแตแกแยกสามชีกันได้ ช่วยกันเป็นมีตามีหูมีมือ5้นิ้วเจ็ดนิ้วมีขามีแขนสามารถช่วยได้ถ้าเราไม่แขนงานดีๆแล้วชีวิตของเราไม่แขนแล้วหนว่นไม่แขนก็ใช้งานได้คนที่มีแขนงานเนากิดมาเกิดผลตัองจุดดานเคืออย่าถูกอยจะให้ถูกแบ่งจิตอย่าถูกแบ่ง มาอะไรก็ให้รู้อะไรเกิดขึ้นมาให้รู้อย่าให้แบง่งวันอื่นไปวันจะได้แจกจะได้ตั้งอยู่นานจะได้เชื่อมแข็งขึ้นมาอหลงกับรู้โชคกับรูทุกข์รู้เพียกับรู้ทุกข์กัรูกก้ง่ยอย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้ให้ผลง่าอย่างนี้ะ เอาตรงนี้ให้มั่นจนตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้ท่ามกลางตรงนี้ที่จุดตรงนี้ถ้ามีเริ่มต้นก็มีท่ามกลางมีที่จุดบ่วงลูนี่การฝึกก็ฝึกใหม่ๆอย่างนี้ต้องประกอบปฏิมันจะเกิดก็ต้องประกอบขึ้นมามาใช้ไปคิดไปท่องไปจำเอาไา้สัมผัสเอาของกายผงผัดเอาเอาใจไปสัมผัสเอา ในขาวเดียวกันความหลงกับความว่าหลงมาในข่าวเดียวกันใกล้ๆกันคนละมุมความทุกข์กับความรู้ก็มาใกล้ๆกั น, ค, ค, กนคนละไม่ใช่คนละมุมไม่ใช่ไม่ใช่คนละอันมุมเดียวกันคนละหน้าจึงปฏิบัติได้ให้ผลได้มันจะมันจะจริงจรนะิงแน่ เวลาเราฝึกแัดมั่นใจจริงๆมั่นใจในการมีรูปมีนามถ้าใช้รูปเช้าน้ำทำความดีถ้าใช้รูปเช้าน้ำทำดีก็เกิดกุศลอ น, นิสงส์ขึ้นมาถ้าใช้รูปเช้าน้ำทำความชั่วก็เกิดบาปกรรมขึ้นมารอดสัมผัสได้อยู่ เราก็เห็นอยู่ไปต้องถามใครจึงมั่นใจมั่นใจที่จะต้องให้ลูปให้น้ําทําความดีประกอบความดีขึ้นมาก็โต ว, วันโตขคืนนะการกระทาทอันนี้มันไม่เหมือนกับพึ่งพาใช้อะไรชาวนาชาวไร่ก็พึ่งขาน้าฝนน้าฟ้าดินอากาศ หลายชวนที่เขาอาชัยเชียงต้องเชียงฟีนี่บางแห่งก็ก็ขาดน้ำแล้วต่อพ่วเข้าพ่วงพวกใหม่ๆหลังจากงามก็เหี่ยวแห้งลงนัมนเชียงน้ำฝนน้อย รัดเราในจากก็น้อยกว่าปีก่อนอยู่นาปีนี้อาจจะมีปัญหาห ล, หลายนที่ทั่วประเทศอันนั้นมันก็เสียงแต่การฝึกอดีตภายในไม่เสียงเลยไม่มีแรงมีโ ถ, ถ่ท่วมทุกชีวิตทำได้ไม่เลือกเพอเลือกวั เรียกว่าถ้านี้ลูกมีนามแล้วมาประกอบเป็นมาหาได้หาชับไปไหนเลยยกมวขึ้นกับลูกเวลาบนหลงเกิดขึ้นมากับลูกอะไรเกิดขึ้นมากับลูกไม่ไม่เสียหายไม่มีทางเสียหายได้นโนโพที่นี่คือภาวะที่ลู้งอกงามทุกกรณี ว่าจะเราหัดว่าแต่เราให้ความสำคัญใส่ใจเวลาเช่นวันหลงรู้จักตัวนี่ยมาเกิดมาใช่รู้จักตัวเฉยๆ ม, ม, มันเป็นละความชั่วมันเป็นทำความดีเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นศีลแล้วเป็นสมวาี่แล้วเป็นปัญญาแล้วเวลามันหลงรู้เวลามันโกรธรู้เวลาวันทุกข์รู้เลย มันมันเป็นวงจรไปอีกหลายอย่างแต่หลงเป็นหลงอะไรผิเช่นแล้วเป็นบาปแล้วเป็นกรรมแล้วไม่ตัดเกินตัดกรรมนะหลงเกียละาจีเสดสะสมหาหลงทุกเกี่ล้านจีเสดสะสมหาทุกก็ยังจะทุกข์เช้นนั้นเป็นวัฏจักเรียนไหวใจเกิดกับอาการแบบนั้น สึ่งที่เราทุกคนเขาไม่ทุกสิ่งที่เราหลงคนหนึ่งเขาไม่หลงตัดเป็นตัดกรรมสิ่งที่ตัดคือลู่เนี่ยลู่เป็นเป็นการตัดตู้ตัดลู่ตัดพอเกิดขึ้นมาลู่ตัดมันตัดเป็นตัดกรรมเมื่อมันตัดเป็นตัดกรรมก็ไม่ไม่พบไม่ชาติเมื่อไม่ไม่พบไม่ชาติก็ เหนือ ก, การเกิดแกเจ็บตางก็เหมือนมั่นนคงคุมชีวิตเรานี้จอย่าปล่อยทิ้งเถอะยากเหลเกินที่ได้เกิดมามีลูกมีนามนมีคำสอนของพระ เ, เจ้ามีโอกาสมีเพื่อนมีมีตรพออยู่ด้วยกันได้และก็มีเวลาอย่าไปทุ่มเทเรื่องเงินมากเกินไป ไม่นานออกะถ้าเราจริงๆเนี่างทีอย่างพระพุทธเจ้าคืนเดียว ต, ตั้งใจจริงๆนะแต่ว่าที่เป็นอย่างนั้นเป็นพุทธเจ้าไม่สวประกอบเป็นดากเชือกวานูต่รเราเนี่ยเตเตือนเ็ดปีลองดูพออยู่เท่าก็อยู่ด้วยกันไปเนีย งงอะไรมากมายเพราะจากว่านจากเรือนไม่เกี่ยวข้องโดยด้าน้วยเรือนแล้วตาก็ไม่เปิดถูกก็ไม่ปิดอะไรอยู่ที่ความรู้จักตัวไม่ใช่บากบันไม่หลับไม่นอนตามอยู่ในอีบนไหนก็ได้ความรู้จักตัวนี่ ไมใช่ okay. ไปอดข้าวอดน้ำมาเชี่ยนอนหนามดูตัวเองดีๆใช้อิบอดใดก็ได้าดายืนเดินนั่งนอนผมรู้จิกตัวเนี่อิบทไม่มีก็ได้บรรลุ ธ, ธรรมก็มีเช่นภาานอนนี่ภาารู้ความเพียนจน แสงเงนินแสงทองขึ้นเห็นว่าเตียงไม่ได้นอนพักผ่อนเลยคิดจะพักผ่อนตอนที่จะเอนตัวพักผ่อนไม่ใช่เบื่อหน่ายไม่ใช่ไม่ใช่ชยอมเพื่อจะทำต่อไปขวพักผ่อนสักหน่อยเราจะเอาอันอีกเอนหลังขิดว่าจะนอนเดินหลังลงไปวาจนอนหัวยังไม่ถึงเตียหมอนมันรู้ทำนี่ก็มี วางใจวางจัไว่ใช่เอาควาที่เกียดไม่ใช่เอาความใครที่เกียดแล้วก็หยดขย้นแล้วก็ทําเวลาเรานั่งอยู่มันคิดจกจะลูกเราลูกไปได้ แ, แต่ความที่จะใช้เวลาเดินอยู่มันคิดจะจะนั่งก็ไปนั่งให้ความคิดปานั่งให้ความคิดปาลูก ความคิดผาเดินความคิดผาทามันไม่ให้ศรัทธาแบบนั้นมันไม่ใช่มั่นใจให้มีศรัทธาถวนประกอบว่ามีศรัทธาจริงๆจะนั่งจะนอนก็มีความรู้จักตัวจริงๆจะลูกจะไปไหนก็รู้จักตัวรู้จักตัววจริงจะเจก อ, อก้าเข้นมา เมื่อตั้งอยู่กับฟองรู้จักตัวได้นานหินสีก็เจกลาตาหูจหับหูเล่นขาใจลูกเลาะกิกกนเสียงไม่หวั่นไหวง่ายกล้ามีะติหมันเจ็กล้าได้ไหวหนึ่งวันเจ็ดวันเยินเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีไม่เกินนี่เอาจิงจรนะิงนงแล้วก็เป็นเพียบเรมิดพอ ท, ที่จะมี ที่ปุึกษ า, าหาเลือ่อสนทนากันบางทีก็ตัวเองนั่นแหละเห็นผูอาจารย์ตัวเองร้ายใจเรียนจากจากภาวะที่ลูกซึ่เป็นครูของกายของใจคนอื่นก็ครูไม่ได้ตัวเราเองเห็นตัวเราเอง ความรู้จักตัวจนครูของกายของจใจที่ติดแนมอยู่กับนี่ในความหลงก็ไม่ครูในลู้ที่รันอะไรอยู่ที่เกิดขึ้นทีการที่จะไม่หนีห่างความรู้จักตัวในทุกโอกาสเราจึงต้องไม่น่าจะอาพัอับจนเรื่งนี้กันปลอยจนดำมายปล่อยจนหัวผู้คนคิด เวลามาชี้กับฝ่าชิดไปเวลามาหลงอับฝ่าจังหลงหอนเอยที่เสียตื้อด้านไม่ฝึกตนสอนตนคนดือ้อคนด้านหลงแล้วก็ยังเมื่อรู้จักตัวหว่อนด้านทังคิดเหมือนโกรธก็ยังใหไปคนเห็นยังด้านไปเลยไม่ใช่ดื้อหรอ กรธได้คนเดียวไดเป็นคนด้านไม่อาร์ตหน้าอาราตกัไม่อาร์ตของกลัวกับของหน้ากลัวกับกล้ากล้าทำของจะไดงออและควงชั่วของที่กล้ากับกลัวก็ไม่กล้าที่จะทําให้ของสงบโรงงานของเธอกล้าเนี่ยปวดปวดกลัวจ้ะไม่ได้ไม่ได้ไม่โกรธไม่ได้ไม่โกรธเลยได้ไม่ทุกข์ไม่ได้ ต้องทุกข์ต้องยอมทุกข์ยอมโสดทํ า, าความโสดความไม่โสดก็มน่าเสียดายสองคนข่าตัวตายเสียดายเสียดายอยากเป็นเพื่อนเพเป็นเพื่อนกดถึทงทุกข์เนี่ยทํามะเนยไม่จําเป็นสมัยทุกข์ก็ไม่อยู่พอได้ยินได้ฟังอาไวา้พอเห็นกระแส มีกระแสยิ่งเราโมฝึกสติพอรู้สึกตัวพับกับมีกระแสเลยนะได้กระแสแห่งความดีผ่านมนะสติอะไรเกิดขึ้นมารู้ตู้รู้เนี่ยความรู้นี่เป็นทางไปสู่วิมุตขวงโดดพ้นจอบทุกท้องของเพราะที่รู้เนี่ยไม่ติดกับวันไรทงไม่จันนี่แหละยพอพึ่งทงไม่จัน เพรพบว่าที่รูลูรูจุกก็รกูทุกก็รูผิดก็รูหลง ก, ก็รกูอะไรก็ตามรูเนี่ยคมจันทร์ไม่เปิดปื้อนเรียกว่าประพฤติปรวัติจันทร์ก็คเป็นผิดไม่เพ่ผมรวจันทร์เลย ถูกเป็นถูกสุขเปนสุขทุกข์นทุกมาช่วยปมวาจารย์ปมวาจารย์เคยรู้รู้เนี่ยมัช่วยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้ฝึกนันเองบริบทตอนที่เราฝึก น, นั้นนะบริบทงดจดจากเครื่องสมองรู้รู้ให้สัมผัสไดดีจะได้อิ่มอกเย็นใจชืจ่นใจมีคนในข้าจุกข์มาไหว้เตีงได้